กันหลังๆก็เป็นเรื่องของความสําเร็จซะส่วนใหญ่นั่นนะเพราะว่าเป็นกันที่พูดถึงผลนะเนี่ย น, นะกันที่ทั้ง10กันที่กล่าวไปนี้เป็นเหตุซะส่วนใหญ่ส่วนการสามกันที่จะกล่าวต่อไปนี่เป็นส่วนของผลผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําละเนี่ย น, นะครัถ้าแบ่งเป็นเหตุกับผลนะกันที่จะกล่าวต่อไปอยู่ในส่วนของผล ครั้งนั้นพระเวสสันดรและก็พระโพธิสัตว์นี่ก็บันเทิงเสด็จแรมอยู่ในอาสมที่เท้าสกกะระทานครั้งนั้นพราหมณ์ชูชกพาชาลีและการหาทั้งสองเนี่ยเดินทาง60โยชนะหกสิโยชน์ก็900กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะเหล่าเทพเจ้าก็อารักขาพระ ก, กุมารกุมารีฝ่ายชูชกเนี่ยครั้นดวงอาทิตย์อัสดงคตก็ผูกพระกุมารกุมารีทั้งสองไว้ที่กอไม้แล้วก็บันทมเหนือแผ่นดิน ตนเองนี่ขึ้นไปนอนบนต้นไม้ระหว่างคาครบกิ่งไม้ด้วยเกรงทานมารึกที่ดูร้ายเอาเด็กไว้ข้างล่างนะตัวเองโน่นขึ้นไปผูกเปลนอนข้างบน น, นั่นนะก็บอกว่าที่นอนขั้นสูงเนี่ยบอกกลัวนะแต่เด็กไม่ไม่กลัวนะธาตุเราเนี่ยจะยังไงก็ได้นะ <S <S ขณะนั้นก็มีเทพพบุตรองค์หนึ่งเนี่ยแปลงเพศเป็นพระเวสสันดรมาภายหลังก็มีเทพพัิดาองค์หนึ่งแปลงเพศเป็นพระนางมัสี มาแก้สองกุมาร น, นวดพระหัตถ์และพระบาททั้งสองกุมารสงน้ำประดับให้เสวยทิ่โภชนาหารตกแต่งด้วยเครื่องศัพท์พระอลังการให้บรรทมพระยี่ผู้อันเป็นทิพย์พออรุณขึ้นก็ให้บรรทมด้วยเครื่องพันธนาการตามเดิมอีกเนี่ยนะก็เรียกว่ากึ่งกึ่งเวมานนกเปรตเนี่ยนะทุกในกลางวันสุกในกลางคื น, น, นเนนแต่นะแสดงว่าสมควรกเหตุมาเหมือนกัน พระราชจักุมารกุมารีทั้งสองนั้นก็หาพระโรคไม่ได้เสด็จไปด้วยเทวสงเคราะห์อย่างนี้เมื่อราตรีนั้นสว่างแล้วชูชกก็ลงจากต้นไม้ล้างหน้าบ้วนปากสีฟันนี่นะสีฟันก็ไม้เคียเค้ยวๆนี่แหละแล้วก็บริโภคพระลาพ ล, าลในการนั้นก็แกก็พาสองกุมารไปหนทางหนึ่งด้วยคิดว่าเราจะไปกะลิงครัตเนี่ยนะแล้วก็เดินไปเห็นทางสองแพร่งทางหนึ่งไปกลิงครัตทางหนึ่งไปกรุงเชตุดร เทวดาก็โดนใจเนี่ยนะแกก็เลยไม่ไปเลยกลิงครัตไม่ไปทางไปหานางอมิตตาปนาละก็เลยถือเอากรุงเชตุดรเนี่ยนะไปหาเมืองปู่เลยเนะี่ยคือปู่ของพระชาลีอ่ะนะจึงนำสองกุมารด้วยสําคัญว่าทางนี้ไปกะลิงครัตแกคิดว่าเราจะไปกะลิงครัตล่วงเชิงภูผาของภูผาที่ไปยากทั้งหลายถึงกรุงเชตุดรโดยการนับได้กึ่งเดือนเนี่ยนะใช้เวลาเดินทางครึ่งเดือนด้วยกัน ในเวลานั้นรุ่งขึ้นเียนะพระเจ้ากรุงสันชัยศรีวิราชก็เลยฝันฝันว่าคือความฝันก็มีว่าพระเจ้าสันชัยมหาราชประทับนั่งในสถานที่พระมหาวินิจฉัยนี่นะคือสมัยก่อนนั้นกรรษัตริย์วินิจฉัยคดีเองก็มีชายคนหนึ่งผิวดำนำดอกบัวสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์แห่งพระราชา พระราชานั้นก็รับดอกประทุมทั้งสองดอกนั้นไว้แล้วก็ประดับที่พระกันทั้งสองข้างละองเกสรแห่งดอกบัวทั้งสองนั้นก็ร่วงหล่นบนอกแห่งพระราชาพระเจ้าสรนชัยก็ตื่นบันทม น, นะก็คือฝันว่าได้ดมดอกบัวนะดอกบัวก็ร่วงใส่อกว่างอนกันก็เลยเรียกพราหมณ์ผู้รู้นิมิตมาทํานายฝันพราหม์ก็พยากรณ์ว่าข้าแต่สมมุติเทพพระประยุรญาตของพระองค์ที่จากไปนานเนี่ยจากมา พระเจ้าสันชัยฟอฟังคําพยากรณ์อย่างนั้นก็ดีใจนะว่าญาติที่จะไปมันก็มีอยู่แค่นี้นะก็จะต้องมาละเพราะงั้นคิดถึงลูกที่ถึงหลานนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ทรงให้ยินดีโปรดให้พราหมณ์เหล่านั้นกลับไปสนั่นพระเศียรแต่เช้าและสวยโภชนาหารมีรถเลิศตกแต่งพระองค์ด้วยอลังการคืออาพรณทั้งปวงประดับณสถานมหาวินิจฉัยเทวดาก็นําพราหมณ์กับกุมมานเนี่ยมายืนอยู่ที่พระลานหลวงขณะนั้นพระเจ้ากรุงสันชัยก็ทอดพระเนตร เห็นสองกุมารแล้วก็เลยบอกว่านั่นดวงหน้าใครน่า ง, งามนักกราวกับว่าทองคําที่หลอมด้วยร้อนแล้วด้วยไฟหรือประหนึ่งว่าลิ่มทองคําที่ละลายคว้างในปากเบา้าทั้งสองกุมารกุมารีนี้มีอ ว, วัยวะคล้ายกันทั้งสองกุมารกุมารีนี้มีลักษณะคล้ายกันคนหนึ่งเหมือนพระชาลีอีกคนหนึ่งเหมือนแม่กันหาชินาทั้งสองกุมารกุมารีมีรูปสมบัติ เหมือนกับราชสีออกจากถ้ำกุมารกุมารีาร ê, เหล่านี้ปรากฏดดหลอด้วยทองคําทีเดียวเนี่ยนะก็เห็นหน้าหลานเนี่ยนะเหมือนหลานเราเลยนะทั่วๆไปแล้วเนี่ยถ้าใครจากหลานเนี่ยเห็นเด็กก็คงจะคิดถึงหลานกันมั้ง น, นะนี่ก็เหมือนกันพระราชาก็เลยสั่งอามาตผู้หนึ่งที่ฉลาดในการศึกษาดีแล้วว่าเจ้าจงไปนําพรามกับทารกทั้งสองมาอามาตได้ฟังดังนั้นก็ลุกขึ้นไปโดยเร็วนําพรามกับทารกทั้งสองมาแสดงแก่พระเจ้าสรรชยัย พระเจ้าสันชัยก็เลยถามชูชกว่าดูก่อนต่พรามณ์พารัวาชโคตแกนําทารกทั้งสองนี้มาแต่ไหนแกมาจากไหนจึงมาถึงแว่ดคอยในวันนี้เนี่ยนะก็เรียกมาก็สอบสวนเลยชูชกก็กราบทูลสนองว่าข้าแต่พระเจ้าสันชัยพระราชกุมารกุมารีทั้งสองนี้พระเวสสันดรเนี่ยทรงยินดีพระราชทานแก่ข้าพระบาท15ราตรีทั้งวันนี้นับแต่ข้าพระบาทได้ราชกุมารกุมารีมาเนี่ยนะพระเวสสันดรให้มา15วันแล้ววังงั้น พระเจ้าสรนชัยก็บอกว่าแกเนี่ยได้มาด้วยวาจาพึงให้รักอย่างไรต้องให้พวกข้าเชื่อโดยเหตุโดยชอบใครบ้างจะให้ลูกเป็นทานอย่างสูงสุดแก่แกมันจะเป็นไปได้ยังไงพูดให้มันมีเหตุผลหน่อยเหมือนกันน่นะใครจะไปให้ลูกเป็นทานเหมือนกันชูชกก็กราบทูลว่า พระราชาเวสันดรพระองค์ใดเป็นที่พึ่งอาศัยของยาจกทั้งหลายเหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายหรือเป็นที่ไปมาของยาจกทั้งหลายเหมือนทะเลเป็นที่หลั่งไหลแห่งแม่น้ําทั้งหลายพระราชาเวสันดรพระองค์นั้นเมื่อเสด็จประทับแรมนาราวป่าได้พระราชทานโอรสและธิดาแก่ข้าพระองค์อำมาตทั้งหลายพอฟังอย่างนั้นก็เลยจะติเตียนพระเวสันดรเนี่ยนะอำมาตเดือดร้อนแทนเนี่ยนะว่า เรื่องนี้พระราชาเวสันดรเนี่ยถึงจะมีพระราชศรัทธาแต่ยังครองคารวะาวิสัยก็ทําไม่ถูกสมัยเป็นคารวาเนี่ก็ทําไม่ถูกอยู่แล้วให้ช้างเป็นทานใช่ไหมพระองค์ก็เลยถูกขับออกจากราชานาจักรไปอยูป่ป่าเนี่ยนะพึงพระราชาทานโอรสธิดาเสียอย่างไรนาะท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้มาประชุมกันในที่นี้จงพิจารณาเรื่องนี้ดูพระราชาเวสันดร น, นี่เมื่อประทับอยู่ในปา่าพระราชาทานโอรสธิดาเสียอย่างไรเนี่ยนะ ก็คือใครจะเป็นพวกด้วยมนะั้น่าตําหนิมากเรื่องนี้นะพระราชาเวสันดรเนควรจะพระราชทานพวกธาตท า, ทาสีมา้าแม่มา้าอัสดรรถช้างตัวประเสริฐ ด, ด้วยพระองค์อนะพระองค์ต้องพระราชทานโอรสธิดาไปทําไมเนอะประมาณพระองค์นี้ควรจะพระราชทานเงินทองคําแก้วมุกดาแก้วไผทูลแก้วประพานเนี่ยพระองค์จะพระราชทานโอรสธิดาทําไมน่าจะให้เข้าของอย่างอื่นให้เข้าแหวนเงินทองไปนะ ทนชาลีราชกุมารพอฟังคําอํามาดนั้นก็ฟังคําติเตียนพ่อไม่ได้เอ๊มาว่าพ่อเราได้ยังไงเนี่ยนะลูกที่รักพ่อบอกเอ๊นี่มาฟังคําเขาติเตียนพ่อด่าพ่อเรานี่เหมืกันเป็นราวกับจะคำจุนเขาสิเนรุที่ถูกลมประหารด้วยแขนทั้งสองของพระ อ, องค์ว่าทาสมา้าแม่มา้าอัสดรรถและช้างกุญชรตัวประเสริฐไม่มีในนิเวศแห่งพระราชบิดา ไปหาธาตุช้างมาจากที่ไหนในฤาษีอย่างนั้นในป่าอย่างนั้นอย่างนั้นข้าแต่ปูอ่างนั้นพระราชบิดาเนี่ยจะพระราชทานอะไรเล่าในอาสมแห่งพระราชบิดาไม่มีศิลาทองเงินแก้วมณีและแก้วประพานค่าแต่ปูอย่างนั้นพระราชบิดานี่จะพระราชทานอะไรเล่าอ่างนั้นพระเจ้าสรรชัยก็บอกว่าดูก่อนลานน้อยพวกเราสรรเสริญทานของบิดาเจ้าดอกไม่ได้ตีเตียนเลย บิดาของหลานให้หลานทั้งสองแก่คนขอทานใจของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนาะนะก็นึกไว้พ่อของเจ้าที่ใจยังไงกนะ็จึงให้ลูกเป็นทานได้น ะ, ะชาลีกุมานก็บอกว่าข้าแต่ปู่พ่อของหม่อมชันเนี่ยพระราชทานหม่อมชันทั้งสองแก่คนขอทานแล้วได้ฟังวาจาอันน่าสงสารที่น้องหญิงกันหาชินานเนี่ยนะกล่าว พระองค์นี้มีใจเป็นทุกข์และเล้าร้อนมีพระเนตรแดงก่ำเหมือนดาวโรฮินีมีน้ำตาเนี่ยหลั่งไหลว่ากันคือฟังฟังลูกสาวพูดเนี่ยนะพระเวสสันดรนี่ก็ร้องไห้น้ำตาฉ่มอยู่แล้วละว่างนันชาลีกุมารก็เลยกล่าวต่อไปว่าน้องกันหาชนาได้กราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้ตีหม่อมชั้นด้วยไม้เท้าดุดตีทาสีผู้เกิดในเรือนข้าแต่พระบิดา พรามทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมแต่พรามนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่แก่เป็นยักษ์และแปลงเพศเป็นพรามณนำหม่อมชันมาทั้งสองเนี่ยไปเคี่ยวกินข้าแต่พระบิดาหม่อมชันทั้งสองเนี่ยถูกปีศาจนำไปพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหรือเนาะหวังอันพ่อเห็นหรือเปล่งงาหวางอันพระเจ้าสรรชายเนี่ยทอดพระเนตรเห็นหลานทั้งสองไม่พ้นจากมือของชูชกพรามก็เลยกล่าวว่าพระมารดาของหลานทั้งสองเป็นราชบุตรีบิดา ของหลานทั้งสองก็เป็นราชโอรสแต่ก่อนนี้หลานทั้งสองขึ้นนั่งบนตักปูแต่เดี๋ยวนี้ยืนไกลเพราะเหตุไรเนาเมื่อก่อนนี้เห็นปูแล้วต้องวิ่งไปนั่งบนตักใช่ไหมวันนี้ทําไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะชาลีก็บอกว่าแม่ของหม่อมชันนี่เป็นราชบุตรีพ่อของหม่อมชันเป็นราชบุตรแต่หม่อมชันทั้งสองเป็นทาสของครามเพราะเหตุนั้นหม่อมชันทั้งสองต้องยืนอยู่ที่ไกลนะก็ยยอมรับว่าตอนนี้เป็นทาสละไม่ได้เป็นไทยเหมือนเดิมแล้วมาเงินพระเจ้าสรรชัยก็บอกว่าหลานรัก หลานรักทั้งสองอย่าได้พูดอย่างนี้เลยใจของปู่นี่ ร, ร้อนร้อนกายของปู่นี่เหมือนยกขึ้นไว้บนจิตตกาทานคือคือไอ้ที่ที่เผาโศกกันนะปู่นี่ไม่ได้รับความสุขในราชบัลลังก์หลานรักทั้งสองอย่าพูดอย่างนี้เลยเพราะยิ่งเพิ่มความโศกแก่ปู่ปู่จักไถหลานทั้งสองด้วยซับหลานทั้งสองจักไม่ต้องเป็นทาสเน่พ่อชาลีพ่อของหลานให้หลานทั้งสองเนี่ยแก่พรามตีราคาไว้เท่าไหร่ หลานจงบอกปู่ตามเป็นจริงพนักงานจะได้ให้พรามทั้งสองนั้นรับไปคือจะให้พรามเนี่ยจะถ่ายตัวให้เหมงอนกันชาลีก็บอกว่าข้าแต่ปู่พ่อของหม่อมชันพระราชทานแก่พรามตีราคาทองคําเนี่ยพันดตำลินทองตีราคาน้องกันหาชีนาผู้มีหน้าผ่องใสด้วยทรัพย์มีช้างเป็นต้นอย่างละหนึ่งร้อยพระเจ้าสารชัยก็บอกว่า ดูก่อนเวกามาดเจ้าจงลุกขึ้นรีบให้ทาสีทาตโคเมียโคผู้ช้างอย่างละร้อยอย่างละร้อยแก่พราหมณ์เป็นข้าไทยแม่กันหาและจงให้ทองคำเนี่ยพันตําลึงเป็นข้าไทยพ่อชาลีนเนี่ยนะปู่ไทยล้านใช่ไหมแล้วไทยคืนสเวกามาดฟังอย่างนั้นก็ทําตามพระดํำรับทันทีบอกว่าแต่นั้นสเวิกามาเรียบให้ทาสีทาตโคเมียโคผู้ช้างอย่างละร้อยแก่พราหมณ์เป็นข้าไทยพระกันหาและให้ ผักทองคําพันตําลึงเป็นค่าไถ่พระชาลีพระเจ้าสันชัยพระราชทานสิ่งของทั้งปวงอย่างละร้อยและทองคําพันตําลึงทองแก่พรามชูชกเป็นค่าไท่ราชกุ ม, มารและกุมารีก็พระราชทานปร า, าสาทเจ็ชั้นแก่ชูชกด้วยประการเชนนี้นะให้ให้ปราสาทเจดชั้นด้วยนะโอ้โ ห, โหรวยมากเลยกันนี้เป็นมหาเศรษฐีในเมืองนั้นเลยจําเดิมแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากทีนี้คิดถึงหรือเปล่นานามิตาตาปนาณนะ ลืมเลยกันนี้ลืมนางอมิตาตาปนาสังเสียนักสังเสียน่ะเนี่ยนะไม่เอาแล้วว่ า, างั้นนะเธอบอกว่าเธอต้องดูแลบ้านให้ดีๆนะก่อนจะค่าต้องปิดประตูบ้านให้สนิทนะตอนนี้ลืมหมดละพันจําเดิมแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากรวบรวมทรัพย์ขึ้นปราสาทนั่งบนบันไดใหญ่บริโภคโภชนาะอันมีรถดีแล้วก็นอนบนที่นอนใหญ่นะมาเหน็ดเหนื่อยมานานแล้วราชรถล้นทับในเวลาชราว่างั้น พระเจ้าสันชัยศีวิราชก็ประทานให้ทั้งหมดก็สเสวยสุขแล้วว่ากันทีนี้ฝ่ายพระเจ้าสันชัยมหาราชได้ชาลีและกันหาชินาเนี่ยนสนานพระเศียรให้สวยโภชนาหารประดับสองราชกุมารทั้งกุมารีก็จุมพิพภเสียนพระเจ้าสันชัยก็ให้พระชาลีเนี่ยนั่งบนตักพระนางผูสดีก็ให้พระนางกันหาชินาเนี่ยนั่งบนตักนะนะแสดงว่ายังเล็กๆอยู่เลยนะยังนั่งตักปู่ตักยาได้ก็ ทีนี้พระอヤกาพระอヤกีเนี่ยนะอヤกาอヤกีก็ปูกกระ่าไถ่พระชาลีกันหาแล้วก็ให้สนานพระกายให้สวยโภชนาหาันแต่งองค์ด้วยราบชาพรแล้วก็ให้ประดับบนตักพระราชกุมารกุมารีทรงสนานพระเศียนทรงภูษาอันหมดจดประดับด้วยสัพพาพรคือเครื่องประดับทั้งหมดสัพพาอลังการคือกุทนทนที่มีเสียงดังสนะทั้งระเบียบดอกไม้ พายากาให้ชาลีนั่งบนตักแล้วก็ถามด้วยคํานี้ว่าแมนะ่พ่อชาลีพระชนกชนนีทั้งสองของพ่อเนี่ยนะนะคือของหลานเนี่ยนะไม่ป่วยกำมังยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยเสา ะ, ะแสวงหาพลาหารสะดวกกำมังเนี่ยนะมูลพลาหารมีมากกำมังเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยทีจะมีน้อยกำมังความเบียดเบียนให้ลําบากในวรประเทศ อันเป็นที่เกลื่อนกลลเนื้อร้ายไม่ค่อยมีกำมังเนี่ยนะก็ถามถึงลูกะนะถามถามหลานใช่ไหมถามหลานถึงลูกชาลีก็ตอบว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพพ่อแม่ทั้งสองของหม่อมฉันไม่ค่อยมีโรคาพาภาษังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการส่อสแสวงหาพร า, าหารสะดวกดีและมูลพร า, าหารก็มีมากอันหนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลเชครานก็มีบ้างก็เล็กน้อยความเบียดเบียนให้ลำบากในวรณะประเทศที่เกลื่อนไปด้วยเนื้อร้ายก็ไม่ค่อยมี แต่พระชนกชนนีทั้งสองนั้นพ่อแม่ของหม่อมชันทั้งสองนั้นเสด็จไปขุดมันกระชากมันอ่อนเนี่ยนะมันกระชากมันอ่อนมันมือเสือมันนกแล้วก็นําผลกระเบาเนี่ยผลจากผลมะนาวมาเลี้ยงกันเนี่ยนะบอกผลไม้ทั้งหมดนี่ขอมางงอยู่อย่างเดียวว่าผลกระเบลมันกินได้ยังไงเมาตายเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะเข เอาปกเบามาต้มแล้วก็ฉันกันเนนต้มพระฉันก็เลยเมากันบานอ่ะนะนี่พออ่านในชาดกฉันกันอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะนะแต่ว่าไอ้เม็ดมันเนี่ยมันเคี่ยวเป็นน้ามันได้แต่ก็หมายสุดยอดเหม็นอยู่เหมือนกันนี่นะแล้วก็ลูกมันก็เวลาต้มแล้วมันก็หอมดีอ่ะนะแต่ว่ากินแล้วมันเมาอ่ะแต่ต้มมันก็เหมือนกับมาตูมต้มนั่นแหละเม็ดเมเล็ดข้างในมันก็เท่ากับเม็ดมะขามพระชนนีนี้เป็นผู้หามูล ผลในป่าทรงนํามาซึ่งมูลผลใดหม่อมชันทั้งหลายประชมกันเสเวยมูลผลนั้นในเวลากลางคืนไม่ได้เสเวยในเวลากลางวันคิดว่าพร้อมใจกันกินในเวลากลางคืนคําว่ามูลเนี่ยหมายถึงพวกมันทั้งหลายนะมูลหมายถึงสิ่งที่เป็นรากนะรากกินได้ผลก็คือลูกกินได้ก็กินเนี่ยกินเปลือกกินมันกินผลไมากรากไม้นี่แหละแม่ของหม่อมชันทั้งสองเป็นสุขุมารชาต้ตองสแสวงหาผลไม้ในป่ามาเลี้ยงกัน จนผมอ่ะนะซูบผิวเนี่ยเหลืองเพราะลมและแดดเหมือนดอกบัวอยู่ในกำมือเมื่อแม่เสด็จไปในป่าซึ่งเปลื่อนไปด้วยพานมรดกมีแรดและเสือเหลืองออยู่อาศัยพระเกษาก็ยุ่งเหยิงทรงกล้าวพระชดาบนพระเกษาทรงปรเปรอเปื้อนที่พระกัจฉาประเทศเนี่ยนะบัะคือเนี่ยแม่เนี่ยผมยาใช่ไหมผมก็กระเสริงยุ่งไปหมดเหงื่อก็ออกรักแร้เต็มไปหมดเลยเหมือ น, นกันอะนะกัจฉาก็หมายถึงรักแร้ พ่อของหม่อมฉันนี่เป็นบนรรปชิดผู้ประเสริฐถือไม่ขอภาชนะบูชาเพลิงและฉดานทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูสาสรงบรรทมเนือ้อแผ่นดินนมัสการเพลิงคือเขาเขาทำกระสินไฟนะเขาต้องบูชาไฟเคารพไฟมีใจรักในไฟมากก็จะจะเพ่งไฟไปอะไรไปของผู้ที่ทำกระสินเนี่ยนะชาลีโกมานเมื่อกราบทูลที่พ่อแม่มีทุกข์ยากอย่างนี้แล้วก็ทูลทวงปู่นะก็ทวงปู่ว่า ลูกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ผู้เป็นพ่อแม่ทั้งหลายปู่ของหม่อมชั้นทั้งสองคงไม่เกิดความรักในพระโอรสเป็นแน่ทีเดียวอย่างนั้นนะะพ่อแม่ทั้งหลายก็กกคิดถึงลูกนะแต่ปู่ทังหลยไม่คิดถึงพ่อเลยมั้งอ่างนั้นนะแสบไปพระเจ้าสันชัยก็ชี้โทษของพระ อ, องค์ว่าดูก่อนหลานน้อยจริงทีเดียวอย่างั้นการที่ปู่ให้ขับไล่บิดาของเจ้าผู้ไม่มีโทษเพราะถ้อยคําของชาวศีพีนั้น เชื่อว่าปู่นี้ได้ทำกรรมอันชั่วช้าทำกรรมอันทำลายความเจริญแก่พวกเราสิ่งใดๆของปู่ที่อยู่ในเมืองนี้ก็ดีทรัพย์และธัญชาติที่มีอยู่ในก็ดีปู่ขอยกให้แก่พ่อของเจ้าขอให้เวสันดอนเนี่ยจงกลับมาเป็นพระราชาปกครองสีพิรัฐเถิดนะชาลีกุมารก็บอกว่าข้าแต่สมมุติเทพ พ่อของหม่อมชันเนี่ยคงจะไม่มาเป็นพระราชาของชาวซีพีเพราะถ้อยคําของหม่อมชันคือถ้าหม่อมชันไปบอกนะพระ อ, องค์คงไม่เชื่อหรอกเหมือนกันขอพระองค์นิเสด็จไปอภิเสกพระราชโอรสด้วยสมบัติด้วยพระองค์เองเถิดเนี่ยนะหลานนี่ก็ช่างพูดเหมือนกันนะบอกว่าถ้าจะยกให้ปู่ต้องไปยกให้ในป่าเองนะเหมนพระเจ้าสรนชัยพอฟังชาลีพูดอย่างนั้นก็เรียกเสนาคุดอัามาทให้ตีกลองสั่งทั่วบ้านทั่วเมืองเลยว่าเนี่ยนะ บอกว่าแต่นั้นพระเจ้าสันชัยบรมมกษัตริย์ตรัสเกษตรนาบดีว่ากองทัพคือกองช่างกองมา้ากองรถกองราบจงผูกสอดสาตราอาวุธชาวนิคมพรามปุโรหิตจงตามข้าไปแต่นั้นอมาตย์ห0 0 0 0ผู้สหาชาติของบุตรของเรางามหน้าดูประดับแล้วด้วยผ้าสีต่างๆ น, นะพวกหนึ่งทรงผ้าสีเขียวพวกหนึ่งสีเหลืองพวกหนึ่งสีแดงเนี่ยนะพวกหนึ่งก็ผ้าสีขาวผูกสอดสาตราอาวุธมาโดยเร็ว เขาหิ ม, มวันเขาขันทอนและเขาขันธรมาต์ปกคลุมด้วยนาน า, นาพฤกษสชาติเป็นที่อยู่แห่งหมูยักษ์ยางที่ทั้งหลายให้รุ่งเรืองเนี่ยฟุ้งตลบไปด้วยทิพอโอสถฉันใดโยธาทั้งหลายผูกสอดสาตราอาวุธและจงมาฉับพลันยังที่ทั้งหลายให้รุ่งเรืองฟุ้งตลบไปฉะนั้นจงผูกช้างหมื่นี่พันเชือกให้มีสายรัดแล้วก็ด้วยทองแท่งเครื่องประดับแล้วด้วยทองแล้วเหล่าควานช้างเนี่ยถือโตมอนและขอขึ้นขี่ ผูกสอดสาตราอาวุธแล้วก็มีอลังการปรากฏบนคอช้างจงรีบมาแต่นั้นจงผูกม้า 14,00 นตัวที่เป็นชาติอาชาในศิลทพมีกําลังโอโ้โหม้า 14,00 นตัวเลยนะอันควานม้าถือดาบและแร่งธนูเนี่ยขี่ผูกสอดสาสตราอาวุธแล้วก็ประดับกายแล้วก็อยู่บนหลังม้าจงรีบมาแต่นั้นจงเทียมรถอีก 14, ื่นพันคันซึ่งมีกรงรถแล้วด้วยเหล็กอันนะ มีเรือนรถขจิตด้วยทองจงยกขึ้นซึ่งธงโลกแหล่งธนูเนี่ยนะในรถนั้นเป็นผู้มีธรรมะมั่นคงมุ่งประหารฆ่าศึกผูกสอดสาตราวุธแล้วก็เป็นช่างรถอยู่ในรถจงรีบมาเนี่ยนะก็สั่งงานทันทีเลยนะแต่แต่งทั้งหมด พระเจ้าสันชัยนี่จัดกองทัพอย่างนี้แล้วก็สั่งว่าพวกเจ้าจงตกแต่งทางเป็นที่มาให้มีพื้นเรียบกว้างแปดอุสภะตั้งแต่เมืองเชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกฏแปดอุสภะนี่ก็ถนนกว้างมากนะให้ทําถนนตั้งแต่ น, นี้ถึงเขาวงกฏเลยนะร่วมพันกิโลนะสั่งทาทางทันทีเลยแล้วก็ทําสิ่งนี้สิ่งนี้ด้วยเพื่อต้องการตกแต่งทางให้งดงามแล้วก็สั่งต่อไปว่าพวกเจ้าจงจัดปุปรชาติ อดอกไม้ระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องทากับข้าวตอกเรีอยสอนามเรียรายลงแล้วก็ทั้งปุพชาติและรัตนะอันมีค่าจัดหม้อสุรามีไรสักร้อยหม้อทุกประตูบ้านเนี่ยนะไอตรงนี้แหละพระเวสสันดรเ น, นี่ยนะคนสมัยนี้มาปฏิบัติตามเคร่งครัดมากเลยตรงนี้แหละนหละหม้อสุราเนี่ยมันงานเวสสันดรที่ไหนน่ะเมากันแแหกันไม่รู้เขาจากตรงนี้ไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ งานพระเวสสันดร น, นี่มีงานนี่แหละที่ไม่มีกรึบไม่มีเมาอะไรเลยอนุโมทนาด้วยนะที่อื่นนี่มาพอ ง, งานแบบนี้ถ้าดีเมาเนะมื่อคืนะ่ะเห็นไหมเราก็นั่งฟังโงกเงีงยบเสร็จแล้วเทศจบก็มีโมหะระศพต่อก็เมากันต่อแอนทั้งคืนอีกเลยนะมันก็มีหน้าและพระเวสสันดรเลยเสื่อมหมดเลยแล้วก็บอกว่าจงจัดเนื้อขนมทําด้วยงาขนมกุ ม, มาร ประกอบด้วยปลาจัดเนยใสน้ำมันน้ ำ, นำส้มนมสดทำสุราแป้งด้วยข้าวฟ่างให้มากแล้วก็จงยืนอยู่ณทางที่พ่อเวสันดรลูกข้าจะมาให้มีคนหุงต้มพ่อครัวคนฟ้อนรำคนโลดเต้นแล้วก็คนขับร้องปรบมือกลองยาวเนี่ยขับเสียงแจ่มใสคนเล่นกลสา ม, มารถกำจัดความโศกได้จงนำพินทั้งปวงและกลองมโหระทึกเนี่ยมาเป่าสังตีกลองหน้าเดียวจงมาประโคมตะโพลบันเดาะสังดุรยัง ทั้งสีคื อ, อโคทะกลองใหญ่กลอง ร, รัมมนาและก็กุตุมพระเนี่ยนะก็รับสั่งตกแต่งบ้านเมืองหน้าดูพระเจ้าสันชัยนี้พอจัดการประดับประดังหนทาด้วยประการชนนี้นแล้วการนั้นฝ่ายชูชกนะนะพระเอกของเรานี่ก็อยู่ดีกินดีมีความสุขมากเหมือนันมันก็วันหนึ่งก็กินมากเกินไปไม่อาจจะให้อาหารที่บริโภคนั้นเนี่ยย่อยได้ก็เลยตายที่นั้ น, น, น กินมากตายนะเจออาหารประณีตเคยกินอดอดอยากๆมาเจออาหารดีๆเข้ากินไม่มีโภชเนมตานยุตาก็เลยกินเลยเนี่ยอาหารไม่ย่อยตายเลยพระเจ้าสัรชัยก็ทําชาปนกิจชาเนี่ยนะชาตัวนั้นแปลว่าเผาปนกิจก็คือทําการเผาซะให้เรียบร้อยแล้วก็ตีกลองเปล่าใหญ่ในเมืองว่าคนใดคนหนึ่งเป็นญาติของชูชกจงมาเอาสมบัติที่พระราชทานเหล่านี้ไปแต่นี้แกคนละคนละเมืองกันเนี่ยนะ ไม่มีญาติอยู่ที่นั้นเลยก็ไม่พบคนที่เป็นญาติก็เลยโปรดขนทรัพย์ทั้งปวงนี้เข้าคลังหลวงตามเดิมะนะสมบัติผลัดกันชมจริงๆอ้าวนะแกเอาไปชมตั้งหน่อยตาแล้วเอาคืนกันแล้วกันอนนั้พอพระเจ้าสันชัยเนี่ยประชุมกองทัพประมาณสิบสองอคโขพินีแล้วเนี่ยสนนิ้นเะจ็ดวันเนี่ยนะจัดกองทัพอยู่เจ็ดวันพระบร ม, มกษัตริย์พร้อมด้วยราชาบริพากรก็ยกกองทัพออกจากเมืองมีการหาชาลีเนี่ยนะเป็นผู้นําทาง กองทัพใหญ่นั้นเป็นพาหนะของชาวสีพีเนี่ยควบคุมกันมีชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางไปสู่เขาวงกฎช้างพลายกุญชอนมีอายุหกสิบปีควานช้างเนี่ยผูกสายรัดก็บรรลือโกนจนาตม้าอาชาในทั้งหลายก็ร่าเริงเสียงกงรถก็เกิดดังกึกก้องทุรีละอองก็ฟุ้งปิดนภากาศกองทัพพาหนะชาวสีพีควบคุมกันไปโยกใหญ่กองทัพใหญ่นั้นก็ควบคุมกัน นำสิ่งที่ควรนําไปมีพระชาลีราชกมุมารเป็นผู้นําทางไปสู่เขาวงกฏเนี่ยนะโยธาทั้งหลายไปสู่ป่าใหญ่อันมีเก่งไม้มากมีน้ํามากดารดาดไปด้วยดอกไม้และผลไม้ทั้งสองอย่างเสียงหยาดน้ําไหลในไพรสนนั้นก็ดังลั่นเนี่ยนะเสียงน้ําไหลในป่านะที่กุติมาเนี่ยดังทุกวนะันเลยนกทั้งหลายเนี่ยเป็นอันมากมีผิวพันธุ์ต่างๆเข้าร่ําร้องเช่น นกที่ร่ำร้องอยู่ที่แถวไม้อันมีดอกบานตามฤดูกาลกษัตริย์ทั้ง4องค์ก็เสด็จทางไกลเนี่ยนะล่วงวันและคืนก็ลุกถึงประเทศที่พระเวสสันดรเนี่ยประทับอยู่การที่ผ่านมานี่เรียกว่ามหาราชกันเนี่ยนะการของพระเจ้าสรรชัยเนี่ยนะพูดกับล้านไถยล้านไปรับพระเวสสันดรเนี่ยกลับ